เพราะนั้นที่ก่อนที่จะราสิกขาให้ทำความเข้าใจก่อนท้าว่าเรามีการถูกบังคับให้กล่าวราสิกขาที่จะกล่าวสักร้อยครั้งก็ไม่เป็นอันกล่าวราสิกขาเพราะนั้นการกล่าวครั้งนี้เป็นการกล่าวด้วยความสมัครใจให้รับทราบร่วมกันทุกองทุกคนที่เรากล่าวครั้งนี้ท้าว่ากล่าว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 คดีโลกและคดีธรรมน ะ, อะตอนนี้ไปหลวงพ่อจะประพรมน้ำพุทธมนตเพื่อเป็นสิริมงคลแนะมหัวลง